ถึงเวลาเขาก็ส่งบินมาโอ้อิติบตทนะจนแทบไม่มีอะไรเลยนะเคยเห็นทั้งพระทั้งชีนะมีเงินเท่าไหร่รวบรวมกันมาหมดเลยนะก็ไม่พอหรอกเราก็ต้องพยายามช่วยกันแต่หลังโรงพยาบาลเขาเห็นหน้าอานาถมากเขาก็เลยบอกเขามีกองทุนให้แต่ท่านไม่รอดต่อลำไส้ไม่ได้ขาดแคลนมากเลย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 ถ้าเราอยอมรับได้ว่าทุกอย่างไม่คงที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรล่ละถ้าเราต้องการสิ่งที่คงที่สิ่งที่ถาวรสุขถาวรดีถาวรในโลกไม่มีนะในโลกไม่มีเราอยากได้ของซึ่งไม่มีหายังไงก็ไม่มีสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใช่ไหมดีชั่วก็ชั่วคราวสงบฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนี่เมื่อเราเรียนไปจนกระทั่งใจมันอยอมรับทุกอย่างมันชั่วคราว่ย ใ, ใจก็ไม่ค่อยทุกข์ละ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 พุทโธเรารู้ทันจิตเรื่อยๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดไม่พุโทโธผมก็ว่าผมก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเห็นมันจะหลงบ่อยอกว่ามันหลงบ่อยพุทโธไว้แหละดีพุโทโธไปดีแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบนะพุโทโธเรารู้ <c oughs> ทันจิตตัวเนี้หลวงพ่อเคยเรียนจากครูบาอาจารย์เลยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเคยสอนนะพุโทโธคืออะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตเรานเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองนะงั้นพุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยนั่นแหละถึงจะพุทโธจริง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 แล้วไม่บังคับจิตให้นิ่งคงที่อยู่เฉยเฉยพอจิตสงบพอสมควรแล้วนะออกมาดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเรื่อยไปเจรินปัญญาไปนะพอจิตเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งมันชักจะฟุ้งดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทำความสงบอีกเดินอยู่อย่างนี้แหละนะอย่างนี้เร็วที่สุดละต่อไปเบอร์้อยห2หลวงพ่ออยากเสียดายเลยแมย่ไม่ได้เจอหลวงปู่ดูนรรมสการค่ะหลวงพ่อทร ง, ง, งกันบ้านครั้งแรกค่ะ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 ชำนาญได้อันหนึ่งรู้ได้ชัดอันหนึ่งอันอื่นก็ชัดขึ้นมาด้วยต่อไปพอสติสมาธิอะไรอัตโนมัตินะไม่มีแล้วว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนเดี๋ยวก็รู้วันนั้นอันนี้แต่ทุกอันแสดงใจรักเหมือนกันหมดเลยนะงั้เบื้องต้นนอาอันเดียวตอนนี้หนูรู้สึกหนูไม่ค่อยทุกข์อะค่ะก็เลยทำจะจะกลาวเป็นฐานเพราะว่าหนูไปติดอะไรหรือเปล่าเราดูออกไหมจิตคงที่ไหมมีความสุขคงที่หรือไง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 ไม่ได้จงใจมันคิดได้เองงั้นจิตไม่ใช่เราหรอกไปดูต่อไปแล้วทุกอย่างมันแสดงไตรลักษณ์ได้ขอบคุณเช่นค่ะเกจคนสุดท้ายแล้วที่เหลือเดี๋ยวจะได้ไปเชงเม้งแล้วกราบนมาตรการหลวงพ่อค่ะฟังทีดีของหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ที่ปฏิบัติหน้างานเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยค่ะโอ้เห็นบ่อยดีที่สุดเลยบ้านอยู่ไหนล่ะอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะ